50 languages. 32. Muwatta r d u ที่ร้านอาหาร 4. ฮลาารมนดีร์ดลีนขอมันฝรั่งทอดกับซอสมะเขือเทศหนึ่งที่ เคชัพจุติวุนดูอาโลกิดเดวูปเปริเฟรนช์ฟรายส์โดีและมายองเนสสองที่มายอเนสจุติแ ย, ยระ ด, ดูโดีและไสก้กอกกับมัสตาร์ดสามที่มัสตาร์ดจุดติมูรุซเซจคดีคุณมีผักอะไรบ้างคะยาวยาวาตระการิไกลเว คุณมีถั่วไหมคะรลกอีเดคุณมีดอกกระหล่ำไหมคะฮูโกสูอีเดดิฉันชอบทานขา้าวโพดหวานนั่นเกจลทินนุุดูอิสต้าดิฉันชอบทานแตงกวานั่นเก๋เซอเทกไกทินนุุดูอิสา ดิฉันชอบทานมะเขือเทศนัน่นあげทนาโตกะก็ล่นโนตินนวดูอิสตคุณชอบทานต้นหอมด้วยใช่ไหมคะนีมาเกะก้าดูอีรุ ล, ลีเอนเดเรอิสตเวคุณชอบทานกะหล่ำปรีดองด้วยใช่ไหมคะนีมาเกะซาวครอตเอนเดเรอิสตเว คุณชอบทานถั่วลินเส้นด้วยใช่ไหมคะนีู่เบลเกลันโนอิสต์ตาปัดตีระคุณชอบทานแครอทด้วยใช่ไหมคะนี่นูสฮาแครอตทินาโลอิสต์ตาปัตียคุณชอบทานบรอกโคลีด้วยใช่ไหมคะนี่นูสฮาบรอกโคลีโโอันโนอิสต์ตาปตีย คุณชอบทานพริกหวานด้วยใช่ไหมคะนีนุสหามันนัสนุอิสตปาดุตติยาดิฉันไม่ชอบหัวหอมใหญ่นั่นเกอีรุลลีอินดเรอิสตาวิลลาดิฉันไม่ชอบมะกอกนั่นเกออลิเอินดเรอิสตาวิลล่าดิฉันไม่ชอบเห็ด ந ั่นเองอาณาเบย์เอ็นด್ ಲ เ